วันนี้เป็นวันพุทธที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2563เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ ก็จะเข้าวัดกันเพื่อรับพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความสุขความเจริญของร่างกายและจิตใจพรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไร พรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคําสั่งคําสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อสัตว์โลกทั้งปวงนั่นเองคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งธรรมเป็นแสงสว่างในที่มืด ในใจของปุถุชนอย่างพวกเราที่ยังมืดบอดด้วยโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าเหตุที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากอะไร สิ่งที่พวกเราต้องการคือความสุขความเจริญนั้นเป็นผลผลนี้จะต้องมีเหตุถึงจะทําให้เกิดผลขึ้นมาได้เช่นผลไม้นี่จะมีขึ้นมาได้ก็ต้องปลูกต้นผลต้นไม้ก่อนอยากจะมีผลส้มก็ต้องปลูกต้นส้มอยากจะมีผลทุเรียน ก็ต้องปลูกต้นทุเรียนถ้าเราไม่ปลูกเราเพียงแต่อยากได้ผลส้มผลทุเรียนอยากไปวันอยากไปจนวันตายเราก็จะไม่ได้รับผลส้มผลทุเรียนแต่ถ้าเราไปซื้อต้นทุเรียนต้นส้มมาปลูกกันหรือเอาเมล็ดทุเรียนเมะละส้มมาหวานกัน แล้วคอยทำนุบำรุงด้วยดินด้วยปุ๋ยด้วยน้ำคอยกำจัดวัดชพืชต่างๆไม่ช้าต้นทุเรียนต้นส้มก็จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาก็จะออกดอกออกผลของส้มของทุเรีย น, นความสุขความจเจริญของพวกเรา การที่พวกเรามาเกิดแล้วมีความสุขความเจริญมากน้อยต่างกันเช่นบางคนเกิดแล้วร่ำรวยบางคนเกิดแล้วไม่ร่ำรวยเกิดมายากจนบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตบางคนเกิดมาเป็นคนธรรมดาสามัญ บางคนเกิดมาด้วยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามบางคนไม่สวยงามด้วยรูปร่างหน้าตาบางคนมีอายุยืนยาวนานบางคนมีอายุไม่ยืนยาวนานบางคนมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน บางคนมีอาการครบสามสิบสองบางคนมีอาการไม่ครบสามสิบสองความแตกต่างเหล่านี้นั้นเป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดแตกต่างกันมารวยมาจนมาสูงมาต่ำมาดีม า, มาชั่วเกิดจากการ ได้สร้างบุญบรารมีมากน้อยต่างกันนั่นเองบุญบรารมีนี้ถ้าสร้างมากก็จะทาให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองมากถ้าสร้างน้อยก็จะเจริญรุ่งเรืองน้อยถ้าไม่สร้างเลยก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเลยนี่แหละคือเหตุ คือต้นที่จะทำให้เกิดดอกผลของความสุขของความเจริญอยู่ที่บุญบรารมีที่พวกเราจาเป็นจะต้องเป็นผู้ปลูกฝังเป็นผู้สร้างกันขึ้นมาเพราะบุญบรารมีของแต่ละคนนี้สร้างแทนกันไม่ได้ทำให้กันไม่ได้ต้องทำ ของใครของมันถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ผลถ้าทำก็จะได้ผลผลของบุญบรารมีนี้ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนหรือแบ่งเป็นสองตอนผลส่วนหนึ่งก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจทันทีในขณะที่ได้ทำบุญบรารมีชนิดต่างๆ จะได้รับความสุขใจสบายใจและจิตใจก็จะได้รับยกระดับให้สูงขึ้นไปส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนั้นอาจจะต้องรอไปพบหน้าชาติหน้าเพราะบุญบรารมีที่สร้างในพบนี้นั้นไม่สามารถมาเปลี่ยนร่างกาย ที่เป็นผลของบุญบา ร, รมีของชาติก่อนได้ร่างกายของพวกเราชาตินี้เป็นผลที่เกิดจากการได้สร้างบุญบา ร, รมีมากน้อยในชาติก่อนจึงทำให้พวกเรามีร่างกายแตกต่างกันมีฐานะแตกต่างกันมีอาการครบสาสบสองแตกต่างกันมีอายุ ยืนยาวนานแตกต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างกันนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายที่บุญบา ร, รมีใหม่ที่เรามาสร้างกันในภพนี้นั้นไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้นะแต่บุญบา ร, รมีนี้สามารถเปลี่ยนทางจิตใจของพวกเราได้จากจิตใจที่โหดเหี้ยม ทำให้เป็นจิตใจที่เมตตากรุณาได้จากจิตใจที่ชอบทาชั่วมาทำให้เป็นจิตใจที่ชอบความทำความดีได้จากจิตใจที่งโง้เขาเบาปัญญามาทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่ฉลาดแหลมคมจะเปลี่ยนจิตใจจากมนุษย์ ธรรมดาสามัญให้กลายเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลได้ผลทางจิตใจนี้เกิดขึ้นได้ทันทีในภพนี้ชาตินี้แต่ผลทางร่างกายนีก็จะต้องรอเวลาไปรับร่างกายอันใหม่ถ้ายังไปไม่ถึงหลุดถึงพระนิพพาน ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์จากการสร้างบุญบรารมีในชาตินี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและได้มาตัดสู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสร้างบุญบรารมีชนิดต่างๆไว้ ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราคงเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าสิบชาตินี้ก็คือการเกิดของพระพุทธเจ้าในสิบชาตินั้นและแต่ละชาติได้ทรงสร้างบา ร, รมีชนิดต่างๆเช่นสมัยที่เป็นพระเวชสันดรก็ทรงสร้างทานบา ร, รมีเพราะ มีโอกาสที่จะทำทานได้เกิดมามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออมีผู้ใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ทรงมีพระเมตตามีความยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของพระองค์ไปโดยไม่คานึงถึงความสูญเสียของทรัพย์สมบัติเลย กับเีพระไทยยินดีเพราะทรงเคยตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในอดีตว่าจะสร้างบุญบารมีต่างๆตามแต่โอกาสที่จะสามารถสร้างได้พระพระเจ้าสิบชาตินี่ก็เป็นภพชาติของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสร้างบารมีชนิดต่างๆ สมัยเป็นพระมาหาชนกก็ได้สร้างวิริยะบารมีความเพียรพยายามมีความไม่ย่อท้อไม่เกียดคล้านถึงแม้จะลอยคออยู่กลางทะเลก็ไม่ยอมถอยพยายามว่ายน้ำเพื่อไปสู่ฝั่ง น, น, นี่คือ สิ่งต่างๆของบุญบรารมีที่พระพุทธเจ้าได้สร้างมาในแต่ละภพแต่ละชาติจนมาถึงภพสุดท้ายเนี่ยคือก็เป็นพระเวชจสันดรนแล้วทำบุญทำทานอย่างมากมายพอตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์จิตอยู่สวรรค์ระดับเทพนแล้วพอเลื่อนลงมาจาก สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิทธฐะมารับสมบัติที่ได้เกิดจากการทำทานบารมีในอดีตได้ประสาทสามฤ ด, ดูได้เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินได้ความสุขทุกรูปแบบที่มนุษย์สามารถจะสรรหามาได้ผ่านทางตาหูจมู ก, กลิ้นกาย แล้วก็ยังมีบารมีอย่างอื่นสนับสนุนที่ทำให้พระองค์เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสละราชสมบัติก็ทรงสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายเมื่อทรงเห็นเทวทูตสี่คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวช ก็ทรงเห็นว่าชีวิตของพระองค์ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็จะต้องพบกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไปบวชไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้สร้าง ที่พึ่งทางใจที่จะทำให้ไม่ต้องมาพึ่งร่างกายอีกต่อไปจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถทำสาเร็จทำให้พระองค์นี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายไม่ต้องมาทุกกับความสูญเสีย การพัดภาจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปได้พบพระนิพพานที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจที่จะให้ความสุขกับจิตใจไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่เป็นอนิสงส์เป็นผลของการสร้างบุญบรารมี ของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงได้กระทำสำเร็จรู้เรื่องและเห็นคุณประโยชน์ของบุญบรารมีต่างๆจึงได้นำามามาเผยแ ผ, แผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังต้องเวียดว่ายตายเกิดในตายพบอยู่ที่จะต้องมาเกิดมากแก่มาเจ็บมาตาย แบบสูงสูงต่ำตำบางภพบางชาติก็อาจจะเกิดมาสุขสบายบางภพบางชาติก็อาจจะมาเกิดทุกข์ยากลำบากให้สามารถที่จะปรับอนาคตของภพชาติของตนให้เป็นภพชาติที่สุขสบายที่ดีที่งามได้ด้วยการมาสร้างบุญบรารมีต่างๆที่จะส่งให้ การพัฒนาชีวิตจิตใจนั้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือขั้นพระอรหันตตะสาวกเข้าไปสู่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ตาม เกิดแบบสุขสบายหรือเกิดแบบทุกข์ยากลาบากในที่สุดก็ต้องเจอความทุกข์ด้วยกันความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันนี่แหละคือพอรของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของพวกเรามีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ ความเสื่อมความล่มจมทั้งหลายขอให้พวกเรามาสร้างบารมีกันบุญบารมีกันบุญบารมีที่เราควรจะสร้างก็มีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งคือเมตตาบารมีข้อที่สองคือทานบารมีข้อที่สามคือศีลบารมี ข้อที่สคือเนคขมบารมีข้อที่หคืออุเบกขาบารมีและข้อที่6คือปัญญาบารมีนี่คือบารมีที่จะส่งให้จิตใจของเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจากบุถุชนจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหม จากพรมไปเป็นพระอริยเจ้าจนถึงขั้นอริยเจ้าขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือขั้นพระอาราหันตสาวกนี่แหละเป็นพรที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเราในวันขึ้นปีใหม่ปีใหม่เป็นปีที่พวกเรายัางไม่ได้ทําอะไร เราสามารถตั้งเข็มทิศให้ชีวิตของเราไปในทิศทางที่เราต้องการไปได้แต่เราต้องการให้ชีวิตของเราขึ้นสูงมีความสุขมากขึ้นไปมีความทุกข์น้อยลงไปกอให้เราตั้งเข็มทิศไปที่บุญบารมีเหล่านี้ไปที่ทะไปที่เมตตาบารมีเป็นขั้นที่หนึ่ง เมตตาบารามีนี้เป็นบารามีที่เราสามารถทำกันได้ไม่ยากเย็นเลยเราต้องศึกษาว่าการสร้างบารมีเมตตานี้ทาอย่างไรในบทที่เราสวดกันคือสัเพสัตตาอเวลาโหนตุจงไม่มีจองเวนจองกรรมกันจงอย่ามีเวนต่อกัน อัปยาปัชาโหนตุจงยาเบียดเบียนกันอนิคาโหนตุจงยาทําให้ร่างกายทําให้ร่างกายและจิตใจของผู้อื่นทุกขเนี่ยและสุขีอัตนานาภะรันตุจงให้ความสุขต่อกันนี่คือการแผ่เมตตาหรือให้ความเมตตา การให้ความเมตตานี้ไม่เกิดขึ้นในขณะที่เราสวดบทแผ่เมตตาเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นเหมือนเป็นการทบทวนความจำหรือเป็นการศึกษาหรือเป็นการซ้อมภายในใจว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาทำให้เราคิดจองเวรจองกรรมกับผู้อื่นเราต้อง ให้อภัยเราต้องไม่จองเวรจองกรรมเช่นเวลาเราไปทะเลาะเบาแว้งกับผู้อื่นไม่มีปัญหากับผู้อื่นก็จะต้องอาจจะมีการจองเวรจองกรรมกันขอให้เราอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันสิ่งที่ก็ททำให้เราโกรธแล้นมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนความฝัน เมื่อคืนนี้เราฝันว่าเราทะเลาะกันพอเราตื่นขึ้นมาอะนนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงแต่ความฝันเราไม่ควรเอาความฝันเข้าเอาเข้ามาสู่โลกของความจริงเวลาเราตื่นเราก็ลืมมันไปเมื่อคืนนี้ทะเลาะกับแม่บ้านหรือพ่อบ้านพอตื่นมาเจอพ่อบ้านแม่บ้านก็อย่าเอาความฝันมาอยู่กับความจริงก็มา อยู่แบบรักกันดีกว่าให้อภัยกันดีกว่าจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองเราต้องรู้จักการให้อภัยเวลาใครทำอะไรให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียหายเดือดร้อนขอให้มองว่ามันเป็นเหมือนความฝันมันผ่านไปแล้วเขาทำอะไรก็ผ่านไปแล้วเขาพูดอะไรก็ผ่านไปแล้ว เราอย่าเอามันกลับเข้ามาในใจของเราเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความฝันอดีตก็คือความฝันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปั๊บมันก็เป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตไปอย่าไปเอามันเข้ามาในปัจจุบันเราไปดึงมันเข้ามาเองด้วยความคิดของเรา ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เข้ามาในใจเราถ้ามันเข้ามาในใจเราเราก็บอกว่ามันเป็นความฝันมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วการไปจองเวรจองกรรมกันนี้มันเป็นพิษเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเพราะว่าพอเรา อ, อาฆาตพยาบาทใจเราก็ร้อนขึ้นมาไม่มีความสุข กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วพอเราไปล้างแค้นไปทาให้เขาเสียหายเขาก็จะอาฆาตพยาบาทกลับมาเขาก็จะกลับมาล้างแค้นเราเราก็ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ ว, วาดระแวงว่าเขาจะมาล้างแค้นเรามาอไหร แล้วเดี๋ยวพอเขามาล้างแค้นเราเราก็โกรธเขาขึ้นมาใหม่มันก็จะทวีคูณการล้างแค้นกันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆจากการทะเลาะกันก็กลายเป็นทุบตีกันจากการทุบตีกันก็อาจจะถึงกับการฆ่าฟันกันพอฆ่าฟันก็เสียหายต้องสองฝ่ายผู้ที่ถูกตายก็เสียหายผู้ที่ ถ่าเขาก็ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ดีเลยไม่มีความสุขเลยไม่ได้ทำให้ตนเป็นคนดีกลับทำให้ตนเป็นคนไม่ดีไปถึงแม้เหตุผลของการทำไม่ดีจะดีก็ตามคือไปร้างแค้นแต่มันไม่ดีมันทำให้คนไปร้างแค้นไม่ดีทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดีไป แต่คนที่ไม่ร้างแค่นี่แหละจะกลายเป็นคนดีแล้วก็ไม่ยากเยียดอะไรก็ทําใจเฉยๆไปเท่านั้นเองบอกใจว่ามันเป็นเหมือนความฝันสิ่งที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วเหมือนเมื่อคือนนี้เรานอนหลับเติรนขึ้นมาเหตุการณ์ในความฝันมันก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้ว น, ะนี่ขอให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราสวดนี้ยังไม่ได้แผ่เมตตาะ การสวดนี้เป็นการศึกษาถ้าเราไม่รู้ว่าแผ่เมตตาแผ่อย่างไรถ้ารู้แล้วการสวดก็เป็นการซักซ้อมเป็นการเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์จริงเราจะได้แผ่เมตตาได้ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่ทำการบ้านไว้ก่อน เวลาเราเข้าห้องสอบเจอข้อสอบเราจะทำข้อสอบไม่ได้แต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนศึกษาไว้ก่อนว่าเหตุที่เราให้อภัยไม่จองเวร น, นี้มันเป็นคุณมีประโยชน์กับเราเหตุการไปจองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมนี้มันเป็นโทษกับเรามันจะพาเราไปสู่ความทุกขนะ์ไม่ตายก็ต้องไปติดคุกนะ หรือไม่ติดคุกก็ต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าเรามองเห็นถึงผลที่จะตามมาจากการจองเวรจองกรรมกันเราก็ไม่กล้าจะจองเวรจองกรรมอยู่เฉยๆดีกว่าให้คิดว่าเป็นความฝันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเหมือนความฝันไปมันผ่านไปแล้วเราก็ไปลบล้างมันไม่ได้ไปแก้มันไม่ได้ ก็ปล่อยมันไปเหมือนกับที่เราปล่อยความฝันไปเราไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียหายกับตัวเราเองนี่คือการสวดนี้เป็นการศึกษาเป็นการดูผลของการกระทำของการไม่ไม่ให้อภัยกับการให้ให้อภัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรให้อภัยแล้วก็จะไม่มีเรื่องมีราวไม่มีปัญหากับใคร ถ้าจองเวรจองกรรมก็จะมีเรื่องมีราวกันไม่มีวันสิ้นสุดบางทีข้ามภพข้ามชาติด้วยนะตายจากการชาตินี้เดี๋ยวไปเจอกันชาติหน้าก็ยังจองเวรจองกรรมกันต่อเวลามีการจองเวรกันนี้มันไม่มีความสุขผู้ถูกจองเวรก็ต้องคอยคอยหลบคอยซ่อนคอยหวาดกลัวว่าจะถูกมาทำร้ายเมื่อไหร่ ผู้ที่จองเวรก็ไม่มีความสุขมีแต่นั่งคิดนอนคิดว่าจะไปทำร้ายเขาอย่างไรดีไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าให้อภัยได้แล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสงบนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตามีสมีสี่ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกคือให้อภัยไม่จองเวรเวลาเรามีปัญหากับใครเนี่ยให้หลืมมันไปเสียเถิดมันผ่านไปแล้วจะเรื่องมันจะได้ไม่บานปายความทุกข์มันจะได้ไม่สุมอยู่ในใจของเราอีกข้อที่สองก็คืออย่าเบียดเบียนกันในชีวิตของเราต่างคนต่างจะต้องเลี้ยงดูชีวิตของกันและกันะ ก็ต้องอย่าไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการเลี้ยงชีพของเราอย่าเบียดเบียนกันยันอย่าทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเป็นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นแล้ว อ, อย่าไปทําอาชีพลักขมโมยเพราะเป็นการไปเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่น อย่าไปประพฤติผิดประเวณีเพราะไปเบียดเบียนสามีภรรยาหรือบุตรบุตรทิดาของผู้อื่นเขาทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนไม่มีความสุขอย่าเบียดเบียนการทําอะไรให้ละมัดระวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นจากการกระทําของเราถ้าทําแล้วทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหาย ก็อย่าทำานถ้าไม่ทำก็แสดงว่าเรามีความเมตตาถ้าเราทำก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาเราไม่ได้สร้างเมตตาบา ร, รมีนข้อที่สมก็คืออย่าทาร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาโกรธอย่าไปทุบตีทำร้ายร่างกายหรืออย่าไปทำลายทำให้ผู้จิตใจจิตใจของผู้อื่นเขา เจ็บช้าน้าใจอย่าไปพูดจาหยาบคายอย่าไปพูดจาที่จะทําให้เขาเสีย อ, อกเสียใจนะมัดระวังจะทําอะไรโดยเฉพาะเวลาโกรธเวลามักจะพูดอะไรไม่คิดถึงก่อนคิดไปตามความรู้สึกแล้วบางทีก็ต้องมาเสียใจในภายหลังบางครั้งไปพูดกับบคุคคลที่เราไม่ควรจะพูดคือผู้มีพระคุณ เช่นบิดามารดาเป็นต้นบางทีโกรธก็พูดไม่ดีกับบิดามารดาทำให้บิดาต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจที่ลูกที่ตนเองได้เลี้ยงดูมาด้วยความเมตตากลับไม่ตอบแทนด้วยความเมตตานี่นี่คือเรื่องของความเมตตา ลักษณะที่สี่คือสุขีอัตานังปริหารันตุแปลว่าให้ความสุขแก่กันเนี่ยปีใหม่เราทำอะไรกันเราส่งสคอศออใช่ไหมคำว่าสคอศออนี่แปลว่าอะไรแปลว่าส่งความสุขนั่นเอง ส่งความสุขก็มีหลายวิธีส่งข้อความขอให้มีความสุขในวันก่อนขึ้นปีใหม่นี่พอคนอ่านก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่ก็เร็วให้ความสุขต่อกันถ้าอยากจะให้ความสุขมากกว่านั้นก็ส่งของไปซื้อของที่เรารู้ว่าเขาชอบเขาอยากได้พอส่งของที่เขาอยากได้นี่เขาก็ดีใจ เขามีความสุขแล้วเขาก็จะรักเราชอบเราเขาจะไม่โกรธไม่เกลียดเรา น, นี่คือบา ร, รมีข้อที่หนึ่งคือเมตตาบา ร, รมีเป็นบา ร, รมีพื้นฐานของมนุษย์ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่ดีเราต้องมีความเมตตาต่อกันแล้วอันที่สองของความเมตตานี้ก็มีหลากหลายด้วยกัน ขอที่หนึ่งก็คือจะอยู่เป็นสุขจะมีความสุขเป็นผลที่เกิดจากความมีเมตตาต่อผู้อื่นตื่นก็สุขหลับก็สุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ เพราะไม่มีใครโกอดเกลียดเราไม่มีใครคิดจะมาฆ่าเราด้วยอาวุธชนิดต่างๆแล้วถ้านั่งสมาธิก็จะทำให้จิตใจสงบง่ายจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสคนที่มีความเมตตานี้จะมีหน้าตาที่ผ่องใสเบิกบานแล้วถ้าตายก็จะไปสู่สุขติ จะไม่ไปเกิดในอบายจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสรกายไปนรกจะไปสู่สุขติหรือถ้าขั้นสูงสุดก็ไปพระนิพพานได้ด้วยความเมตตาบา ร, รมีเป็นผู้นำถ้าเรามีเมตตาแล้วเราสามารถจะสร้างบา ร, รมีข้อต่อไปได้บา ร, รมีข้อที่สองคืออะไรทานบา ร, รมีนั่นเอง คือการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดีกว่าดีกว่าเอาไปซื้อความสุขแบบประเดียวประดาวคือซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแพงแพงซื้อของหรูหราของที่ไม่จําเป็นอย่ต้องซื้อเลือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกาย ไปเที่ยวไปดูมือหรอศพบันเทิงอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่ใช่จะเป็นความสุขที่จีรังถาวรสุขในชั่วขณะที่เราได้ไปทําไปเที่ยวไปดูไปฟังพอกลับมาบ้านความสุขอันนั้นก็จางหายไปแล้วทําให้เกิดความหิวอยากจะไปหาความสุขแบบนั้นอีก ความสุขแบบนี้เรียกว่าเป็นความสุขแบบยาเสพติดนะพอเสพแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เสพมันจะทรมานมันจะทุกข์ทรมานใจอย่าหาความสุขแบบนี้ด้วยการใช้เงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้เอาเอาเงินทองที่เรามีกินเหลือใช้นี้ไปใช้ซื้อความสุขแบบที่ทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอใจเราสบายดีกว่า ใจไม่หิวคือการใช้เงินรือให้เข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นเขามีความสุขหรือช่วยกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นนั่นเองเนี่ยนี่คือหน้าที่ของการสร้างทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีนี้จะทำให้เรานี้ยกระดับสูงขึ้นจากมนุษย์นี้ จะเป็นเทพได้ต้องมีทานบารมีต้องสามารถทำทานได้ต้องสามารถแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เกินต่อความจำเป็นความจำเป็นของชีวิตเราคืออะไรก็คือการมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายของเรานั่นเองต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนุ่งหม่มต้องมียารักษาโรค ต้องมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วเรามีเงินทองเหลือมากไปกว่านั้น<ๆ>ก็เอาไปทำบุญทาทานไปสร้างทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าการทำทานนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งทำทานแล้วจะได้บุญบุญนี้ก็คือสเสบียงของใจ ที่ใจจะต้องอาศัยเวลาที่ไม่มีร่างกายตอนนี้ใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้หาปัจจัยสี่ให้หาความสุขให้กับใจแต่เวลาร่างไม่มีร่างกายใจจะต้องอาศัยบุญเป็นผู้ให้ความสุขกับใจถ้าไม่มีบุญใจก็จะหิวโหยใจก็จะอดอยากขาดแคลนใจก็จะทุกข์เนี่ย ตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อใจไปเป็นดวงวิญญาณตัวเดียวกันขณะที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอเวลาร่างกายตายไปใจต้องอยู่ตามลาพังเือนเหมือนพ่อแม่แม่เราก็เปลี่ยนชื่อจากใจมาเป็นดวงวิญญาณต อ, ตอนเป็นดวงวิญญาณนี่หนละใจจะต้องอาศัย บุญบารมีที่เกิดจากการทําทานนี้เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ใจเอาติดตัวไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของร่างกายนี้เอาไปไม่ได้เงินทองที่มีอยู่มีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรเวลาร่างกายตายไปนี้ดวงวิญญาณเอาไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเอาทรัพย์สมบัติเงินทองนี้มาทําบุญทําทานี่มาเปลี่ยนจากทรัพย์สมบัติ ของร่างกายมาเปลี่ยนทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติของใจคือทำบุญนี่เองก็จะได้บุญติดตัวไปไปก็จะไปเป็นแบบมหาเศรษฐีไปไปเป็นเทวดานั่นเองการทาทานนี้จะยกระดับจิตใจให้เป็นเทวดาถ้าไม่ได้ทำทานหรือไปทำบาปด้วยการเวลาอยากได้ทรัพย์สมบัติ ต่างๆแล้วไปทำบาปเวลาไปไม่ได้ไปเป็นเทวดาแต่จะไปเป็นเปรตไปเป็นขอทา น, นพวกที่เราอุทิศบุญให้ตอนที่เขาตายไปเนีเราเป็นห่วงเขาแล้วกลัวเขาว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำบุญพอเพียงทาบาปมากกว่าทบุญกลัวว่าเขาไปแล้วเขาจะตกละกรัรมลำบากไปอยู่แบบขอทาน เราพอจะช่วยเหลือเขาได้ด้วยการอุทิศบุญเราก็เลยพยายามอุทิศบุญกันแต่ถ้าเราทําบุญตั้งแต่ก่อนเราตายนี้เราไม่ต้องมารอรับบุญของผู้ที่เขามีชีวิตอยู่พอตายไปเราก็ไปสวรรค์กันเลยไปเป็นเทพชั้นต่างๆมีหกชั้นด้วยกันะถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนโรงแรมมีหกดาวมีตั้งแต่โร ง, งแรมหนึ่งดาวขึ้นไปถึงโรงแรมหกดาว อยู่ที่ว่าทำบุญมากทำบุญน้อยโรงแรมก็โรงแรมสูงก็มีความสุขมากกว่าโรงแรมที่มีดาวต่ำโรงแรมดาวหนึ่งดวงก็สู้โรงแรมสองดวงไม่ได้สองดวงก็สู้สามดวงไม่ได้แต่ค่าใช้ใจ่ายของโรงแรมก็สูงขึ้นไปตามลําดับโรงแรมหนึ่งดวงก็ราคาไม่แพงเท่ากับสองดวงสองดวงก็สู้สามดวงไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญของเราก็เป็นการสะสมทรัพย์เอาไว้ทรัพย์ที่เราเอาไปได้เวลาที่ร่างกายตายไปทรัพย์ที่ดวงวิญญาณจะเอาไปใช้จ่ายค่าโรงแรมต่างๆนั่นเองสวรรค์จงมีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันถ้าถ้าคิดว่าทำบุญมากน้อยแล้วได้บุญเท่ากันก็ไม่ต้องมีสวรรค์หกชั้นให้เสียเวลา นี่ก็มีสวรรค์หกชั้นเพราะว่าคนทําบุญนี้ทํามากน้อยไม่เท่ากันะคนงม้นเดี๋ยวคนทํามากก็ไม่ทํามากสิทํามากก็เท่ากับคนทําน้อยก็ทําน้อยๆเนี่ยเนี่ยมันหลักของเหตุผลมันก็เป็นเหมือนเหมือนกันทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันทําบุญน้อยก็ได้บุญน้อยทําบุญมากก็ได้บุญมากเนี่ยสวรรค์จึงมีหกชั้นด้วยกันนี่คือ อา น, นิสงส์ที่ได้รับจากการสร้างทานบารมีแล้วถ้ายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานทานบารมีนี้ก็จะเป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาเราก็จะได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเวชสันดรพอกลับมาเกิดก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากเพราะอาศัยอำนาจของทานบา ร, รมีที่สร้างไว้ในภพก่อนนี่คือบา ร, รมีข้อที่สองที่จะส่งจิตใจของเราให้สูงขึ้นส่งให้ชีวิตถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดให้ล่ำ้วยขึ้นกว่าเก่าเพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารธนาคารบุญ ที่จะทำให้เรามาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยของคนมีฐานะไม่ไปเกิดเป็นลูกของขอทานเมีเกิดจากทานบา ร, รมีข้อที่สามคือศีลบา ร, รมีศีลบา ร, รมีก็คือการไม่กระทำบาปห้าข้อนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายาเมา เพราะการกระทำเหล่านี้เป็นโทษต่อจิตใจทำบาปปั๊บก็ความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาทันทีไม่เชื่อรองไปลักขโมยเงินของคนอื่นดูหรือไปทำให้ผู้อื่นตายนี่รับรองได้ว่าใจนี้จะไม่สบายขึ้นมาทันทีนี่คือผลของการกระทำบาปจะทำให้ใจทุกร้อนขึ้นมาแล้ว เวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปรับโทษอบายก็เหมือนคุกตารางของโลกนี้เวลาทำผิดกฎหมายในโลกนี้เขาก็จะไปตัดสินคดีพอตัดสินว่าผิดก็สั่งจำคุกหรือประหารชีวิตต้องไปรับโทษในคุกตารางดวงวิญญาณของพวกเราก็มีคุกตารางรอเราอยู่ถ้าเราทำบาปทำผิดศีลถ้าข้อนี้ ตายไปก็จะถูกจับไปขังไว้ในในอบายมีอยู่สี่แดนด้วยกันแดนที่หนึ่งเรียกว่าเดลาฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดลาฉานถ้าทำบาปโดยความหลงโดยความไม่เชื่อว่าบาปนี้มีจริงถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆก็ไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปนรกเนี่ยนี่แหละคือผลของการไม่มีศีลบารมีแล้วพอเวลากลับมาเกิดก็จะเป็นเกิดมนุษย์ที่อาภักวาตนาเป็นมนุษย์ที่ใจโหดเหี้ยมทารุณเนี่ยเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเนี่ยเพราะบาปมันยังมีติดอยู่กับใจมาติดเป็นนิสัยมากับใจ เคยชอบทำบาปมันก็จะติดกลับมาชอบรักทรัพย์ก็จะกลับมารักทรัพย์ชอบโกหกหลอกลวงก็จะกลับมาโกหกหลอกลวงชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเดินสุรายาเมาชอบประพฤติผิดประเวณีมันจะเป็นนิสัยติดตัวมาด้วยเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีเรื่องวุ่นวายเพราะมีแต่เรื่องทำไม่ทแต่เรื่องไม่ดีนั่นเอง ถ้าแต่ถ้ามีศีลบารามีแล้วจะเป็นคนดีเวลากลับมาเกิดก็เกิดเป็นคนดีจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบเดิมสุรายามาไม่ชอบโกหกหลอกลวงนี่แหละความแตกต่างของชีวิตของพวกเราก็ขึ้นอยู่กับบารามีเหล่านี้ เมตตาบารมีทานบาลมีและศีลบารมีอันนี้เป็นเรื่องของคนทั่วไปพวกเราส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบารมีทั้งสามนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราจิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นเราก็ยังสามารถเพิ่มความสุขสร้างส่งจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติเตคัมมะบาะมี ในคำว่ามารมีแปลว่าการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายคือจะไปถือศีลแปดไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือถ้าไปบวชก็เป็นสัมมณีถือศีลสิบหรือเป็นพระก็ถือศีล227ข้อยยี่สิบเจต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่อให้หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เพื่อที่จะได้เลื่อนความระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากเทวดา เ, เทวดายังเสบรูปเสียงกลิ่นล้อยู่ถ้าอยากจะขึ้นไปเป็นพรหมนี่จะต้องหยุดเสบรูปเสียงกลิ่นล้แล้วก็ไปทำจิตใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ถ้าจิตใจสงบเข้าฌานได้ก็จะได้เป็นพรหมขึ้นมาได้รับความสุขของพรหมที่สูงกว่าความสุขของเทวดา อนี่คือเนคัมภร์บารมีคือการถือศีลแปดนี่เองใครอายากที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นจําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะได้กําจัดกิจกรรมต่างๆไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสงบมาสร้างอุบเบกขาบารมี อุเบกขาบารมีจะเกิดขึ้นได้นี้ต้องอาศัยเนกขมมะบารมีก่อนต้องถือศีลแปดต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้ฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆให้ได้ถ้าจิตเข้าสู่ฌานระดับที่สี่ได้ก็จะได้อุเบกขาบารมีได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่ได้จากการเข้าชานี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขของความสงบนี้เหนือกว่าความสุขของมหาเศรษฐีอันดับที่หนึ่งของโลกเหนือกว่าความสุขของพระราชามหากษัตริย์เหนือกว่าความสุขของพระประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะมีความสุข มากกว่าประธานาธิปดีมากกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราสร้างเนคข ม, มะบารเมและอุเบกขาบารเมได้นี่นั้นถ้าอยากจะมีความสุขสูงขึ้นก็ต้องไปหัดถือศีลแปดแล้วก็ไปอยู่ที่สงบเงียบเพื่อจเจริญสติพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ ให้ตั้งอยู่ในความสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขไม่ต้องมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่ยังต้องอาศัยข้าวของเงินทองอาศัยคนนั้นคนนีน้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราอยู่นี้ยังมีความทุกข์ตามมา เวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเวลานั้นความสุขที่เราเคยได้จากเขาก็หายไปหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่และบางทีเข้ามาจนกระทั่งทนไม่ไหวถึงอยากจะฆ่าตัวตายก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายก็เพราะสูญเสียความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเอง พอไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเสียใจจนไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ต่อไปก็จะคิดฆ่าตัวตายกันเนี่ข้อที่ต้องระมัดระวังพวกที่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่พวกที่ยังเสพการอยู่นี่ยังเสี่ยงต่อการความทุกข์ที่อาจจะทําให้ถึงกับการจะคิดฆ่าตัวตายกัน มีญาติโยมหลายคนมาเล่าให้ฟังเวลาเจอความทุกข์มากๆนี่เคยคิดฆ่าตัวตายกันทั้งนั้นที่ทุกข์ก็เพราะว่าสูญเสียสิ่งที่เคยให้ความสุขกับตนไปสูญเสียลาบบ้างสูญเสียยศบ้างสูญเสียสรรเสริญบ้างสูญเสียรูปเสียงกลิ่นนัดต่างๆไปบ้างโดยทําให้จิตใจเศร้าซ้อยหง่อยเหงาซึมเศร้า จนไม่มีความคิดที่อยากจะอยู่ต่อไปถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงกับเหตุการณ์เหล่านี้ให้เราลองเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาหาความสุขจากการมาบวชเน่คำะมาถือศีลแปดแล้วก็มาฝึกสติมาเจรานพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิเดินจงกรมเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการมาสุขเหนือกว่าความสุขของเทวดาของพระราชามาหากษัตริย์แล้วจะไม่มีความทุกข์ใจตามมาเวลาที่ออกจากสมาธิมาถึงแม้ว่ามันจะหายไปเราก็รู้ว่าเรากลับเข้าไปใหม่ได้ถ้าเราเคยเข้าฌานได้แล้วเวลาเราอยากจะกลับเข้าฌานเมื่อไหร่เราก็กลับเข้าไปได้ แต่ชีวิตของเราบางทียังต้องออกมาดูแลร่างกายร่างกายต้องอาบน้าอาบท่าเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารจะเข้าสมาธิตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องออกจากสมาธิบ้างเป็นบางเวลาเวลาออกมาความสุขนั้นก็จะหายไปแต่พระพุทธเจ้านี้ฉลาดสงคนพบวิธีที่จะทำให้ความสุข ที่ได้จากสมาธินี้ไม่หายไปเวลาออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้จาเป็นผู้ที่จะมารักษาความสุขที่ได้จากสมาธินี้ไม่ให้จางหายไ ป, ไยไปเวลาออกจากสมาธจิจะคอยกำจัดตัวที่มาคอยทำลายความสุขที่เกิดจากสมาธิ ตัวที่ทำลายความสุขนี้คืออะไรก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่เองพ อ, อจากสมาธิมานี้อดไม่ได้แล้วอยากจะกินนูน่นกินนี่อยากจะดูนั่นดูนี่อยากจะไปที่นั่นที่นี่ขึ้นมาพออยากแล้วพออยู่เฉยๆไม่ได้ใจวุ่นวายนะต้องไปทำตามความอยากถึงจะหายวุ่นวายแต่หายวุ่นวายเดียวเดียว พอทำความอยากเสร็จเดี๋ยวสักพักก็อยากใหม่กก็ต้องไปทำอีกพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามาใช้ปัญญากันดีกว่ามาใช้ปัญญาระงับความอยากกัน ừ, ก็ด้วยการสอนใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากนี้ไม่ได้ไปเจอความสุขเพียงอย่างเดียวนอกจากความสุขที่ได้แล้วยัยงมีความทุกข์ตามมาอีกด้วยเพราะความสุขที่ได้มันไม่เที่ยงนั่นเองมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ไม่ว่าจะไปหาความสุขจากอะไรไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่สู้กลับไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าถ้าเกิดความอยากก็กลับเข้าฌานไปดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบความอยากก็หายไปพอไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็หมดกำลังไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไป พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบความสุขที่ได้จับความสงบเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดใจที่มีความสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิเรียกว่นนิพพานนี่นิพพานคือผู้สิ้นกิเลสผู้สิ้นความอยากทั้งสามคือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา ด้วยปัญญาบาลมีนี่แหละบาลมีสูงสุดก็คือปัญญาบารมีแต่เราต้องอาศัยการสร้างบารามีจากขั้นต่ําขึ้นไปจากขั้นเมตตาบารมีสู่ทานบาลมีสู่ศีลบารมีสู่เนคัมบาลมีสู่อุเบกขาบาลมีแล้วถึงจะไปสู่ขั้นปัญญาบารมีได้ พอไปถึงขั้นปัญญาบารมีแล้วก็ไปสู่ขั้นวิมุตติหลุดพน้นขั้นของพระอริยเจ้าของพระโสดาบานันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอราหันต์พอถึงขั้นพระอราหันต์แล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงไม่ต้องกลับมาสร้างบารมีกันอีกต่อไป เพราะสิ่งที่เราได้รับจากการสร้างบา ร, รมีนี่มันเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นความสุขความเจริญที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกพอเป็นพราะอารหันต์แล้วจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกเนี่ยจะเป็นพราะอารหันต์ไปตลอดไม่มีวันวันหมดอายุไม่เหมือนเป็นนายกเนี่ยเป็นนายพลเนี่ยังมีหมดอายุอายุหกสิบเขาก็ปดฮะ เป็นนายกสี่ปีเขาก็บอกไปเลือกตั้งกันใหม่แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนี้ไม่มีใครมาปดไม่มีวันหมดอายุนี่แหละคือความประเสริฐของการสร้างความสุขความจเจริญให้แก่จิตใจต้องอาศัยการสร้างบา ร, รมีเหล่านี้และการที่เราจะสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คืออธิษฐานบา ร, รมี สัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีอธิษฐานแปลว่าอะไรคือการตั้งเป้าของชีวิตเช่นปีใหม่นี้เรามาอธิษฐานกันว่าปีนี้จะขอสร้างบารมีทั้งหลายเหล่านี้สร้างเมตตาสร้างทานสร้างศีลบารมีเป็นต้นนี่เรียกว่าอธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งเป้าเดี๋ยวถึงเวลาก็ลืม พอถึงเวลาจะทําทานก็ทําไม่ออกพักกระเป๋าไม่ออกถึงเวลาจะให้อภัยก็อภัยไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราต้องให้อภัยเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลนี่เรียกว่าอธิษฐานเนี่ยปีหม่พวกเราทุกคนมักจะอธิษฐานกันแต่อธิฐานนี่เราไปอธิฐานผิดที่เราไปอธิษฐานที่ผลเราไม่ไปอธิฐานที่เหตุเราไปขอเราใช้คํา เราใช้คาอธิษฐานแปลว่าขอขอให้สุขให้เจริญความสุขความเจริญนี่ขอไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาเองต้องสร้างด้วยการกระทาบารมีต่างๆดังนั้นเราต้องอธิษฐานนี้ต้องแปลว่าการตั้งเป้าหมายตั้งเข็มทิศของชีวิต ไม่ใช่เป็นการขอคาอธิษฐานจึงมีสองความหมายความหมายที่พวกเราใช้กันคือขออยากได้อะไรก็ไปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอกันขอเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ได้ก็เป็นเหตุบังเอิญไม่ใช่เป็นหรือมันควรจะได้อยู่แล้วขอไม่ขอมันก็ต้องได้นะอย่าไปขอนะถ้าอยากจะได้ต้องสร้างขึ้นมาต้องสร้างบารมีขึ้นมาแล เราต้องตั้งเป้ามีอธิษฐานคือการตั้งเปา้าปีนี้จะสร้างบารมีเราเมื่อตั้งอธิษฐานแล้วต้องมีสัจจะคือไม่โกหกตัวเองบางคนตั้งเป้าอย่างดีสองสามวันแรกโอยรักษาศีลทำทานพอวันที่สี่วันที่ห้าลืมไปแล้วแสดงว่าไม่มีสัจจะไม่ทำตามที่ตั้งใจไว้ถ้าตั้งใจไว้แล้วเมื่อถึงเวลาต้องทำต้องทำถึงจะมีสัจจะ มีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะความเพียรบางทีมีสัจจะแต่ทําน้อยขี้เกียจทําทําไม่มากนี่มันทำนิดเดียวยนี่ก็เรียกว่าไม่มีวิริยะบารมีต้องทําให้เยอะๆทําให้มันเต็มร้อยผลมันจะได้เต็มร้อยถ้าทําเพียงร้อยละสิบมันก็ได้เพียงร้อยละสิบแล้วข้อสุดท้ายที่ต้องมีก็คือขันติต้องอดทนอดทนต่อกิเลสตัณหาที่คอยมาคอยห้ามมาต่อสู้กับเรา เวลาจะทำบุญทำทานที่มับอกอไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อเหล้ากินดีกว่าเนเขาต้องต่อสู้กันเวลาต่อสู้กันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานถ้าไม่มีความอดทนเดี๋ยวก็สู้มันไม่ไหวเห็นต้องมีสี่อย่างนี้ถึงจะสามารถสร้างบารมีทั้างทานทั้างศีลสร้างเนคคั ม, มะสร้างอุเบกขาสร้างปัญญาได้คือต้องมีอธิษฐานมีสัจจะ มีวิริยะมีขันติอธิษฐานแปลว่าตั้งเป้าหมายของชีวิตสัจจะต้องรักษาสัจจะรักษาความตั้งใจของเราไว้ไม่ให้ล้มเหลววิริยะต้องขยันทำเหตุที่เราต้องทำขันติต้องอดทนเวลามันยากลำบากแล้วรับรองได้ว่าบา ร, รมีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นของเราต่อไปแล้วผลของบา ร, รมีคือความสุขความจเจริญ จากระดับมนุษย์ขึ้นสู่เทวดาสู่เทพสู่พรหมสู่พระอริยบุคคลสู่พระนิพพานก็จะเป็นผลตามมาต่อไปอย่างแน่นอนนี่แหละคือพอรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ขอเอามาฝากท่านในวันนี้เพื่อให้ชีวิตของท่านในปีใหม่นี้มีแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรืองแข็วคาดปลอดภยัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้ากันเทอานันราต่อไปนี้จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยะถามณิโชติ ภราสุยทาสัะพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธิขายุโกภวะอภิวัตนาสีฤทสานิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวัทฐานติ อายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็ขออนุญาตงดถาม ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา305ย t u b e 300วิทีออนไลน์17คนรับฟังข้างบนนี้294คนรวมทั้งหมด916ครับใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นมาจะส่งใหม l ไปให้เดี๋ยวส่งไหม l ไปทางนู้นนะ ทางนี้ก่อนก็นด้รอเดี๋ยวนะ อ, อ ก, นการนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องเกี่ยวกับการทําทานรักษาศีลและภาวนาอยากจะกลาวเรียนถามว่าเมื่อไหร่เราถึงจะทราบว่าเราได้ทําบา ร, รมีของเราเต็มแล้วเราได้ทําทานของเราจบแล้ว เราได้ทำเราได้รักษาศีลของเราจบแล้วแล้วเราได้ละเจริญภาวนาของเราจบแล้วทานทานทานหมดก็เงินหมดเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วหมดว่นนั้นนะถ้าไม่มีเงินทําก็ไม่ต้องทําแล้วแต่ยังมีวิธีอื่นทําทานได้ใช้วาจาของเราให้ความรู้กอบพู้อื่นวิทยาทานก็ยังทําได้ใช้ร่างกายของเรา ทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นก็ยังเป็นทานอยู่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในระดับทำทานหรือเราอยู่ในระดับภาวนาเพราะสองอย่างนี้จะทําไปด้วยกันไม่ได้นต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้าไปภาวนานี้ต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครดัง น, นั้นก็งดการทําทานไปแต่สีนี้รักษาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถ้าตาบดเรากายวาจาของเราไม่ทำอะไรก็ผิดก็ถือว่ามีศีลนั้นของพวกนี้มันทำไปมันจะรู้เองว่าทำได้หรื อ, อยังอเอาใจหรือยังภาวนาก็ต้องภาวนาไปจนกว่ากิเลส จ, จะหมดไปจากใจจนกว่าความโลภความโกรธความหลงจะหายไปหมดถ้ายังมีอยู่ก็ยังต้องภาวนาต่อไป กำจัดมันด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเข้าใจนะเดี๋ยวขอใหม่ไปทางนี้เลยท า, ทากับนัศสการหลวงพ่อค่ะพูดไกลๆปากเลยค่ะกับนักสการหลวงพ่อค่ะคือ หนรู้สึกมาครั้งแรกปลื้มปิติมากทีนี้มีปัญหาสงสัยว่าเราจะขัดเกลอกิเลสจากใจได้ยังไงคะมีความรู้สึกว่ายังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยู่ซึ่งรู้คะ่ะว่ามันไม่ดีแต่ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะทําไม่ได้ะคะ่ะเพราะเราขาดสติที่จะคอยสอนใจเตือนใจว่าของต่าง ๆ, ๆที่เราอยากได้นี้มันจะเป็นความทุกข์ต่อไป เวลาที่เราได้มาแล้วมันหมดไปหรือว่าเวลาเราอยากได้แล้วเราไม่มีเงินไปซื้อเราก็จะทุกข์มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดให้มองอย่างนี้ว่าความสุขแบบนี้ไม่ดีเศรษแล้วติดเวลาไม่ได้เสพแล้วจะทุกข์เราไม่กล้าเสพยาเสพติดกันใช่ไมเพราะเรารู้เสพแล้วเดี๋ยวเราก็จะลำบาก อันนี้ก็เหมือนกันการอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดงั้นใช้ปัญญาสอนใจแล้วก็ต้องหัดฝึกทำสมาธิบ้างเพราะถ้าทำสมาธิแล้วใจเราจะอิ่มใจังมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราฝืนความอยากต่างๆได้เวลาจะเอาเ ง, นนางนินไปซื้อของตามความอยากก็เปลี่ยนใจเอาไปทำบุญดีกว่า ต้องดัดนิสัยมันพอจะไปซื้อกระเป๋าใหม่ก็เอาไปทำบุญดีกว่าช่วยเด็กกำพา้าช่วยปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยโคดีกว่าให้เขาได้มีความสุขให้เขาคล่ำค่าดจากการจะต้องถูกฆ่าตายไปเปลี่ยนดึงเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากต่างๆไปทำบุญแทนต่อไปความอยากมันก็จะหายไปพอเราไม่ทาตามมันสักพักหนึ่งมันก็หาย ถ้าทำมันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออีกไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกมันไม่มีวันจบยังต้องฝืนมันเอาเงินที่จะไปใช้กับการซื้อของตามความอยากก็ไปทำบุญเสียเราจะมีความสุขใจเวลาเราได้ทำบุญเลือกทำบุญชนิดที่เราชอบชอบปล่อยนกปล่อยปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาชอบบุญช่วยโรงพยาบาลก็ไปทำโรงพยาบาล เป็นบุญเหมือนกันเป็นความสุขใจอิ่มใจเป็นการกำจัดความอยากต่างๆได้เหมือนกันนะลองทำดูนะเอาไมกลับมานะใครอยากจะถามให้แถวนั้นนะคำถามจากผู้ฝากถามข้างบนนี้นะครับเวลาภาวนาผมจะภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพร้อมกันได้ไหมครับ หรือว่าต้องเลือกทำบทใดบทหนึง่งแล้วเวลาภาวนาต้องภาวนาแบบทีทีนึกอยู่ตลอดแบบนี้ถูกต้องไหมครับได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้ทั้งสามอย่างไปพร้อมกันก็ได้พุตโธนามโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธไปก็ทำไปต่อเนื่องไม่ให้หยุดเพราะหยุดแล้วจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าหยุดแล้วไม่คิดก็ก็หยุดได้ สมมติเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอเราใช้พุโทโธทำโมสังโฆไปสักระยะหนึ่งเราก็ลืมแล้วก็ไม่ไปคิดถึงเขาเราไม่คิดถึงเรื่องอะไรเราก็หยุดได้ให้มีสติดูใจเฉยๆดูใจไม่ให้คิดเวลาทำนี้ต้องขอยเป้าหมายคือให้เราหยุดความคิดควบคุมความคิดพอถ้าใจเราหยุดคิดแล้วใจเราจะสงบแล้วจะมีความสุข เป็นความสุขที่ดีกว่าเสียเงินเสียทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้กับเราคำถามจากคุณวรพง์คำถามแรกการเดินจงกรมควรกําหนดพุทโธในขณะเดินจะดีหรือไม่ครับและการเดินเมื่อสุดทางแล้วควรหยุดนิ่งก่อนแล้วหันหลังกลับเดินต่อหรือกลับหลังหันเดินต่อได้เลยครับก็หันกลับได้เลยแล้วแต่เราเราอยากจะยืนลาพึงลาพันต่อก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้ หรือเราเดินปั๊บเราพอถึงสุดทางแล้วก็หมุนกลับแล้วเราก็เดินต่อไปใหม่ก็ได้จะใช้พุโทโธก็ได้จะใช้การดูเท้าของเราก็ได้เป้าหมายก็คือให้ใจเรามีอะไรเกาะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำถามที่สองเวลาเรากำหนดภาวนาพุโทโธ ควรตั้งคำภาวนาไว้ในตำแหน่งใดของร่างกายไหมครับไม่เลยอยู่ที่อยู่ที่คำนั้นให้ใจเราตั้งอยู่กับที่คำว่าพุโทโธไม่ต้องไปพุโทโธที่ลมไม่ต้องไปพุโทโธที่เท้าที่แขนให้พุโทโธอยู่ในใจไปคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเวลาที่จิตเรารวมแล้วเคยนิ่งเย็นสบาย แต่ส่วนใหญ่จะนิ่งสงบอย่างเดียวถามว่าอย่างหลังนี้จิตผมรวมไม่ลึกใช่ไหมครับก็ถ้ายังรับรู้อะไรได้อยู่ก็ยังไม่ลึกถ้าลึกนี้ทุกอย่างที่ัเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายจะหายไปเหลือแต่จิตคือผู้รู้อยู่ตามลาพังเหมือนลอยอยู่ในอวกาศนะแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่สำคัญไม่เป็นไรขอให้จิตนิ่งสงบแล้วมีอุเบกขา คือไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้เช่นร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนได้ยินเสียงก็ไม่ลำคาญได้นมกลิ่นก็ไม่เกิดความอยากอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิได้เหมือนกันคำถามจากคุณเจี๊ยบเวลานั่งสมาธินา น, า น, น, านมีอาการปวดทำให้นั่งต่อไม่ได้ ทำอย่างไรจึงจะหายปวดและให้นั่งต่อไปให้ได้เป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงครับคือเคล็ดลับก็คืออย่าไปอยากให้มันหายปวดต้องปล่อยให้มันปวดไปแล้วดึงใจอย่าไปยุ่งกับมันดึงใจด้วยพุโทโธบริกรรมพุโทโธดึงไว้ไม่ให้ไปคิดถึงความปวดปล่อยให้ปวดไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธ ความทรมานใจจะหายไปความทรมานเกิดจากความอยากให้ความปวดจะหายไปเพราะเราใช้บริกรรมพุโทโธหยุดไว้พอไม่มีความอยากให้มันหายปวดใจก็ไม่ทรมานใจก็อยู่กับความปวดได้แต่ต้องอยากขี้เกียจต้องพุทพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันถี่ไม่ให้มันมีช่องไปคิดถึงความปวดได้เลยเดี๋ยวไม่นานห้นาทีสิบนาทีมันก็สบาย ไว้วางได้คําถามจากคุณทิพพันธ์ลูกสวดมนต์ที่บ้านไม่อยากไปวัดแต่ไม่ได้รับศีลหรือลาศีลกับพระจะได้บุญใหม่เจ้าค้าและการแผ่บุญให้เจ้ากรรมหรือลูกหลานในครอบครัวจะได้รับผลบุญใหม่เจ้าค้าคือจะทําที่วัดทําที่บ้านก็ได้เหมือนกันการสวดมนต์นการนั่งสมาธินี้เป็นการฝึกสมาธิทําจิตให้สงบ แต่ผลนี้ยังอาจจะไม่เกิดเต็มที่ยังไม่ยังไม่เป็นบุญที่เราจะเอาไปอุทิศได้นะถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้เราอุทิศด้วยการถวายทานทำบุญทำทานพอทำทานปั๊บบุญผลของทานจะเกิดขึ้นทันทีแต่เวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี้ผลของทานผลของมันยังไม่เกิดฉะนั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ต้องอุทิศด้วยการทำทาน คำถามจากคุณพงศ์ทำไมเห็นพระฝรั่งส่วนใหญ่เข้ามาบวชเยอะขึ้นมากครับรวมทั้งญาติโยมจากสิงคโปร์มาเลและอินโดมาถามคำถามธรรมะจากพระอาจารย์มากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะเหตุใดครับเพราะเขาศึกษาถึงแก่นของศาสนานั่นเองเขาศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมวิธีเจริญสมถวิปัสนาภาวนาแนะผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติเนี่ย ไม่เหมือนคนไทยเราเรียนแต่ผิวเรียนแต่เปลือกของศาสนาคือการทำบุญทำทานการไหว้พระสวดมนต์ะอันนี้เราอยู่ที่ผิวกันมันเลยไม่ได้ประทับใจเหมือนกับการที่ไปอยู่ที่แก่นพอเราศึกษาแล้วเราลองนั่งสมาธิดูพอจิตเริ่มสงบเพียงครั้งแรกนี้ก็จะเกิดความยินดีเกิดความติดอกติดใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปตามลาดับนะ พวกต่างชาติเขาจึงไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยชอบทําบุญกันถ้าไปตั้งวัดอยู่ที่ต่างประเทศถ้าไม่มีคนไทยก็คงจะอดตายนะเพราะฝรั่งเขาจะเอาแต่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องทานเท่าไหร่เห็นก็ดีคนละอย่างของเมืองไทยนี่พระสบายเพราะญาติโยมชอบทําบุญทําทานไม่อดตาย แต่ฟองของฝรั่งนี้ชอบวิปัสสนาชอบปฏิบัติไม่ชอบทำทานเนถ้าไปตั้งอยู่ในเมืองที่มีแต่ฝรั่งนี้คิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้นานเพราะไม่มีอะไรกินคำถามจากคุณไัยทูลผมลองพิจารณาอสุภะจากรูปสัญญาที่พบเห็นแล้วมีความรู้สึกรักใคร่ หลังจากที่รู้สึกว่าสบายใจจากสมาธิแล้วหรือเวลาที่นึกได้ผมพิจารณาเฉพาะส่วนที่รู้สึกว่ารักเป็นพิเศษโดยนึกภาพที่รักชอบไว้แล้วกำหนดจ่อเข้าไปที่หนังและเห็นเนื้อเห็นกระดูกถอยออกมาเป็นรูปสวยงามดั่งเดิมขณะพิจารณาทราบว่ารูปที่กำหนดขึ้นนั้นคือภาพที่เอามาต่อกันเป็นภาพภาพเมื่อภาพใดแสดงขึ้นภาพอื่นก็ดับไปไม่มีที่สุด ผมควรพิจารณาต่อไปอย่างไรครับออพิจารณาเพื่อให้ดับความชอบในร่างกายนะเกิดพิจารณาละความคลาการอารมณ์ที่เกิดเวลาที่เราเห็นภาพของร่างกายที่สวยงามที่เราชอบเราก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามที่เราไม่ชอบแล้วการอารมณ์ก็จะดับไปการอารมณ์นี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบ แล้วก็จะเป็นเหมือนยาเสพติดที่จะทําให้เราต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้เสพก็จะทุกข์จะเศร้าจะเหงาจะหงอยเห็นต้องคอยกําจัดการอารมณ์ด้วยการพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆคําถามจะผู้ฝากถามการถือศีลปฏิบัติธรรมแบบ go forth คือการถือศีลปฏิบัติธรรมแบบไหนเพราะคนใน อินเทอร์เน็ตไม่มีครับแปลว่าไปบวช go forth ก็คือไปข้างหน้าไปข้างหน้าของค า, าววสก็คือไปบวช going forth ภาษาฝรังเขาพูดเวลาจะไปบวชเขาเรียกว่า going forth เอาคำถามสุดท้ายนะ <c oughs> คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่ออโหสิกรรมให้กับผู้ที่เราแค้นแล้วตอนอโหสินั้นทำด้วยความจริงใจ แล้วทำให้รู้สึกใจเย็นโล่งโปร่งสบายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนึกถึงหรือได้ยินชื่อของคนที่เราอาฆาตแค้นความรู้สึกไม่ดีนั้นก็กลับมาอีกแปลว่าอโหสีกรรมนั้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่เจ้าคะก็ยังไม่ขาดพอมันกลับมาอีกก็อภัยใหม่อีกได้เราเคยอภัยเขาได้ครั้งหนึ่งล้วก็อภัยต่อไปได้ทุกครั้งที่ยังคิดถึงสิ่งที่ทาให้เราแค้นอยู่ล้วก็ต้องใช้ เมตตาอาภัยให้เขาไปทุกครั้งเหมือนยาหม่องเนี่ยบางทีทาไปแล้วมันก็หายคันไปชั่วหนึ่งเดี๋ยวพอฤทธิ์ยาหม่องหมดมันก็คันใหม่คันใหม่แล้วก็ทาใหม่เมตตาก็เหมือนกันให้อภัยก็เหมือนกันพอให้อภัยเขาได้ใจเราเย็นสบายไม่โกรธเขาแล้วแต่พอเดี๋ยวไปเห็นเขาไปนึกถึงเขาอีกโกรธขึ้นมาอีกก็ให้อภัยใหม่ทําไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต่อไปมันก็หายไปหมด